ต้องอดทนฟังหน่อยนะต้องอดทนฟังแท <c oughs> <c oughs> ่ที่จริงหน้าที่แสดงธรรมเป็นหน้าที่ของพระมหาเถระาเมื่อกี้ท่านก็นได้ทำหน้าที่ไปแล้ว แต่ก็ยังมีอนุเทระตามหลังอีกแต่เขาอุ่นใจนะเราเดินตามหลังครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่พราฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องอดต้องทนฟังหน่อยเพราะแรงจูงใจแรงขึออุ่นใจอาจจะไม่เหมือนกัน ก็เดชพระคุณหลวงพ่อพระราชบุรคุณท่านเมตตาไปทั้ง40วินาทีนะจำนวนวารของท่านทันสมัยปรับได้กับความเป็นอยู่ของพวกเราที่จะน้อมนำไปถูดาตามพูดตามปฏิบัติตามแต่ในีจะพยายามตั้งใจพูดเท่าที่มีความสามารถจะพูดได้เพื่อบูชาและปู่ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัสมุทท uh ัศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัสมุททัศนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัโตสมมาสัมบุตตสัมสังขาราปรมาตุค้าตีปุจจายะปุจนียานังเอตัมมังคะลุมตัมันมตนีให้นังฟังสบายๆนั่งฟังเป็นกันเอง ถ้าหากจะตั้งใจนั่งภาวนาฟังด้วยจะได้ประโยชน์สองชั้นชั้นหนึ่งคือตั้งใจภาวนาชั้นที่สองคือเสียงธรรมยังไงหูเราไม่ดับเราจะต้องได้อยู่เท่ากับเรารักษาตัวเองมีรั้วรอบขอบคิดสองชั้นหมายถึงรักษากจิตของตัวเอง หากตกจากกุณโถหรือคำบริกรรมที่เราตั้งใจภาวนาเราก็มาอยู่กับเสียงธรรมหากขยับเสียงธรรมเราก็จะมาอยู่กับพุณโธคุณโธโงานทั้งสองงานนี้ตกลงสู่ภาชนะเดียวกันคือหัวใจของเราของท่านจะเองท่านทั้งหลายบูชาปฏิเสะกายอยู่ใกล้อยู่ไกล มาบำเพ็ญพุนกุศลอุทิศถวายหลวงปู่เพลงกัปปโกหลวงปู่เพลงกัปปโกชื่อท่านเต็มเพราะท่านเกิดในวันมาฆบูชาชื่อว่าเพลงกัปปโกเป็นวันสําคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาอันนี้คือนามของท่าน ท่านมีคุณงามความดีมากมายมหาศาลเราไปอ่านตูตามประวัติของท่านท่านทํ า, ทาครบวงจรเป็นทัานพระนักเทศเป็นทัานพระนักกรรมฐานเป็นท่า น, นพระนักเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศและต่างประเทศท่านมีคุณนูปการทุกอย่างเท่าที่ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ท่านมีความสามารถ จะทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนากับประเทศชาติได้จนท่านเลยครับเกียร์เป็นพิเศษเป็นพระได้สมณศาักดิ์ท่านท่านเจคุณพระโสคน ที่อะไรนะวิสุทธิคุณพระโสดขนที่สุทธิคุณซึ่งเป็นครูบาอาจารย์กรรมฐานเก่าแก่เราฟังอยู่ในประวัติของท่านและที่วัดเล่านาตรงนี้ก็เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เกือบทุกท่านทุกองจะผ่านตรงนี้เป็นที่จุดเป็นที่รวมเป็นวัดเป็นสำนักส่งตั้งแต่ มีป่าเป็นป่าเป็นตองเสือเป็นตองไม้ทึบหน้ากลัวซึ่งเป็นป่าชา้าตามที่กันล่าแลครับผีที่สาคัญที่สุดคือผีนุนุวัดป่ารางานผีหุ <c oughs> วันนี้เราจะพูดอะไรมากมายอย่างอื่เท่าไรก็ตามแต่งานที่ท่านทั้งหลายต้องการวันนี้ก็คือความสุขความเจริญเข้าสูงง่วัยหย่า ความสุขความเจริญเข้าสู่หัวใจนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญพระพุทธเจ้าท่านท่านไม่ได้ให้ความสําคัญอย่างเดียวโดดเดี่ยวที่กสิจากความสุขเช่นอย่างมีลาบมากมียศมากมีเกียรติมากมีความสรรเสริญมากแต่ลาบยศเกียร์เหล่านั้นไม่เื้ อ, อํานวยความสุขอันนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่สรรเสริญ ทำยังไงก็าตามที่จะทำให้ใจของเราได้รับความสุขพระพุทธเจ้าท่านให้คุณค่าท่านให้ความหมายท่านให้คุณค่าที่ความสุขในหัวใจพวกเราทุกคนมีใจคนละหนึ่งดวงเราไม่ต้องไปพูดตามหลักอภิธรรมท่านแยกแยะมากมายใจของเราเป็นภา่ารู้เป็นผู้รู้รู้ดีรู้ชั่ว รู้สุขรู้ทุกข์ใจดวงนี้ยแสดงโลกนี้ปรากฏกับเราถ้าหาเราไม่มีใจดวงนี้เท่ากับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นสาวต้นหนึ่งวัตถุวัตถุกหนึ่งเท่านั้นเองด้วยเหตุที่เรามีจิตคือใจคือผู้รู้ผู้รู้ของเรารู้สุขรู้ทุกข์รู้สารพัดที่จะรู้ได้ เท่าที่ผู้รู้จะนับสัมผัสได้แต่มีความต้องการเป็นสองอย่างสิ่งที่ประกอบสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขความเจริจรญจิตใจก็ชอบก็ต้องการสิ่งที่ทำให้ได้รับความทุกข์ความยากความลำบาก ประสบความยากความละบากใจไม่ต้องการเนี่ยเท่ากับว่าระสุขเกลียดทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาโดยเหตุที่เรามีความรู้เรารู้เราเห็นเราได้ยินได้ฟังสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ในสิ่งที่เราชอบใจที่เราต้องการแต่ท่านทั้งหลายผู้รู้ของเรานั้นผู้บตคขึ้นมา พร้อมกับความไม่บริสุทธิ์มีสิ่งปนเปื้อนมาด้วยมีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เป็นคิดเป็นภัยชาตามาด้วยคือกิเลสตัญหาอาสวะตราบใดผู้รู้ของเราอุบัติขึ้นมาจะอุบัติขึ้นมาพร้อมกับสิ่งที่เป็นคิดเป็นภัยกับหัวใจของเราคือกิเลสตัญหาอาสวะ เราพูดมาตรงนี้เราคิดถึงต้นต่อความเป็นมาของเราทุกท่านทุกคนเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพิ่งอุบัติในอัตภาพนี้ถ้าเรามียาอย่างทราบเหมือนพระพุทธเจ้าเราลึกย้อนหลังไปเป็นกัปกัเป็นสังวัตกัเป็นวิวัตกัปเป็นอาสงไขกัประยะเวลายืดยาวแล้วคือ แต่ผู้รู้ของเรากับกิเลสที่บนเพื่อนมากับจิตของเรามันพัฒนามาได้อย่างไรพัฒนามาตามรูปแบบของกิเลสของผู้รู้ของเราแล้วกันด้วยเหตุนี้เองเรารักสุขเบียดทุกนี้เองสัตว์ทั้งหลายจึงแสวงหาตามความต้องการความต้องการที่เราสแสวงหาได้นั้น แสวงหาตามอำนาจของสิ่งที่เป็นคิดเป็นภัยมากกว่าอำนาจที่ชอบด้วยธรรมเรามีผู้รู้เรามีใจคือผู้รู้ในใจนั้นมีท่านกิเลสมีท่างธรรมมาด้วยกันในกิเลสนั่นแหละมีธรรมอยู่ในนั้นในธรรมนั่นแหละมีกิเลสอยู่ในนั้นอยู่ในใจดวงนั้นมากับผู้รู้อันเดียวกัน ตราบใดที่ทําทํางานในใจดวงนั้นกิเลส ก, ก็พักงานตราบใดที่กิเลสทํางานทำก็พักงานเพราะอะไรเพราะการที่เราเอาใจว่าเรามาใช้แต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นนะ่ะมันประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยปัญญาประกอบไปด้วยเจตจำนงประกอบไปด้วยเจตนาหากเราใช้เจตนากําหนด หมายจบจงไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเจิตจำลองเหล่านั้นก็จะมีความชัดเจนเพียงหนึ่งอารมณ์คือขณะของจิตของเรานั้นน่ะอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นครั้งละหนึ่งอารมณ์ขณะละหนึ่งอารมณ์ไม่ใช่ขณะละสองสามอารมณ์ถ้าหากขณะละหนึ่งอารมณ์จิตของเราจะ รู้ชัดที่สุดแต่ถ้าขณะละสองสามอารมณ์คนไปกันมานั้นไม่มีอะไรชัดสีอย่างหนึ่ใใหัวใจของเราเราจะเห็นว่าจิตใจสับสนวุ่นวายเหมือนอย่างที่เขาว่านึกมากคิดมากจนเครียดต้องอาศัยจิตเตวะเป็นชื่ออย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าจิตเวะจิตเวะ รักษา <c oughs> รักษาแท้ที่จริงจิตเวชก็คือวิชาการที่ไปรักษาจิตของเราให้ดีขึ้นแต่วิธีการที่เขาบำบัดนั้นมีทั้งจิตวิทยาเกี่ยวกับจิตเวชและก็ยาทั้งหลายที่จะไปบำบัดเพราะกายกับจิตของเรานั้นมันประกอบประกอบกันมันเนื่องกัน ใ <c oughs> นเมื่อเรารักสุขเปลี่ยนทุกอย่อยางนี้อำนาของิเรลียนมากกว่าก็ทำให้เราสะแสวงหาเราแสวงหาตามบุญตามกรรมตามมีตามได้เหมือนอย่างที่ชาวโลกเราทั้งหลายแสวงหาแสวงหาความสุขทางโลก ด้วยงานการทั้งหลายด้วยลาบด้วยยศด้วยเกียรติด้วยสรรเสริญสิ่งเหล่านี้เราแสวงหามาเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญบางครั้งเราแสวงมาตลอดทั้งปีเราก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเราก็ยังไม่ประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่ความสุขในหัวใจแต่พระพุทธเจ้าท่านมีวิบากท่านมีวิธีที่สอนัวกเราให้เข้าถึงความสุขความเจริญ ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างที่เราบัตรขึ้นมาในปัณจการเรามีรูปเรามีเวทนามีสัญญามีสัญขานมียิน ญ, ญาเราบัตขึ้นมาแล้วเราก็เป็นอยู่ตามภาวะความเป็นอยู่ของเราตามภาตตามภูมิของเราจะเป็นชาติใดวรรณะใดตระกูลสูงต่ำขนาดไหนก็ตาม หามีความรู้และมีความต้องการแสวงหาตามอำนาจความรู้ความต้องการความสามารถของเราบางครั้งก็เกี่ยวข้องกับสินกับธรรมบางครั้งก็ไม่เกี่ยวข้องกับสิลกับธรรมแต่อำนาจของตัณหาในหัวใจนั้นโอกาสที่จะบอกให้เรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่เป็นธรรมนั้นมันไม่เคยบอกให้เรารู้ให้เราเข้าใจมีแต่คอยสวมรอยที่จะเอาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์สาหรับตน เพราะฉะนั้นพวกเราจึงมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างตามกรรมที่เราประกอบตามพฤติกรรมที่เราทำด้วยกายกรรมด้วยวิีกรรมด้วยมโนกรรมเราต้องการอยู่ความสุขความเจริญแต่เวลาเราไปประกอบเหตุนั่นเราอาจจะหลงประกอบเหตุไปตามอานาจของตัณหาในหัวใจของเราก็ได้จึงเป็นเหตุว่าเราเลงเป้า เล่องเหตุไม่ถูกกับผลเราต้องการผลคือความสุขความเจริญ ถ, ถ้าเราเทียบก็เท่ากับต้องการจะทาสีขาวแต่เวลาเราแปลงไปจุม่มเราไปจุ่มสีดำหัวใจของผู้ชุชนทุกท่านทุกคนมีความรู้สึกอย่างนี้และมีพฤติกรรมอยู่อย่างนี้ถ้าเราขาดเคือสียงธรรมและจะมีพฤติกรรมเป็นอยู่อย่างนี้กิเลสในหัวใจของเรามันจะกระสิบกระซาบ ให้เราตามทำตามํนานาจความชอบใจของมันทั้งนั้นเราต้องการความสุขความเจริญแต่ด้วยเหตุที่เรามืดบอดด้วยสติด้วยปัญญาฐานะว่าเป็นปุติชนจึงไม่ทราบเหตุเพื่อความสุขความเจริญที่แท้จริงคืออะไรจึงทำไปสเป็นสปั๊บหนักหนาข้าประตูตันหาสวมรอยสวมรอยมาให้เราโลภอย่างได้มากมาก ให้เราโกรธมีอะไรมาขัดข้องก็มันก็จะโกรธแล้วก็เรื่องของราคะตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเป็นเรื่องเป็นไปเป็นปกติของโลกไม่เคยบอกรา ว, ว่าอันนี้คือทุกข์คือโทษเลยด้วยเหตุที่เราไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่รู้เรื่องศีลเรื่องธรรมการที่เราจะประกอบพฤติกรรมแต่ละอย่างแต่ะละอย่างเราจะขาดความสังวรสังรวมพรรมะวา่าง เหมือนกับคนที่ตั้งใจจะป้ายสีขาวแต่ลืมความพระมระวังเวลาไปจุม่มไปยุ่มเอาสีดาเมื่อเราไปจุ่มสีดาเป็นเหตุเวลาเราไปป้ายมันก็ต้องเป็นสีดาแต่ความต้องการในใจของเราเป็นเช่นนั้นหรือไม่ความต้องการในใจของเราต้องการสีขาวเหมือนความประสงค์ที่ท่านทั้งหลายธรรม า, ากินแสวงไม่หยุดไม่ย่อนทั้งวันทั้งคืนท่านทั้งหลายต้องการความสุ่ความเจริญ แต่มันมีอคุศลมากดมาบางังมาปิดมาบางังมาสวมรอยแล้วดึงเอาพฤติกรรมของเราไปใช้ตามอำนาจของมันด้วยพฤติกรรมของความโลภความอยากได้โดยเฉพาะอย่างยี่ก็คือปัจจัยสีในความเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยยุกยารักษาโรคเครื่องนุง่งห่มสีเหล่านี้มีความเป็นเป็น อาหารมีความจําเป็นเราจะต้องสดชื่นสะอานในเมื่อเราก็ต้องการเขาก็ต้องการเขาก็ต้องการปัจจัยสีเราก็ต้องการปัจปจัยสี่ก็เลยมีการต้องแข่งขันกันหนักๆเข้ามีการยื้อแย่งกันหนักๆเข้ามีการแย่งชิงกันเพราะอะไรเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัว น, นี้ ยงเป็นเหตุทำให้เราลุ่มหลงต้องการอยู่ความสุขความเจริญแต่บางครั้งเราก็ไปสสแสวงหามาได้เช่อนอย่างหาลากก็สามารถหาได้หายศก็สามารถหาได้หาเกียรทั้งหลายทั้งปวงก็สามารถหาได้ด้วยอำนาจของทรัพย์ที่เรามีแต่บางครั้งก็ได้มาในทางที่ไม่ชอบได้มาแล้วก็ภูมิใจภาพภูมิใจไม่กี่วันไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็จะมีความทุกข์ตามมาในภายหลงัง เหมือนอย่างท่านทั้งหลายได้ยินข่าวคราวไ ม, ไม่หยุดไม่หย่อนเพราะเขาก็หวังว่าเขาต้องการความสุขความเจริญเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเขาได้รับความสุขความเจริญแต่ด้วยเหตุเป็นเหตุให้เข้าใจผิดนั่นเองเท่ากับไปจุ่มสีดำผลตา ม, มาก็ต้องเป็นสีดำผิดหวังอีกแล้วความสุขที่ความเจริญที่เราได้มาด้วยอำนาจของกามนั้นมันเป็นความสุขความเจริญที่มันช่วยกระตุ้น แล้วก็เราใจของเราให้เป็นการเป็นคราวไปบางครั้งสิ่งที่เรามีเป็นลาบก็ตามเป็นยอดก็ตามเป็นเกียรติก็ตามเป็นสี่ของใช้ทั้งหลายทั้งปวงก็ตามเรามีอยู่เราใช้สอยใช้ไปใช้ไปเก่าและต้องการใหม่น่มันชินมันชามันหมดความกระตุ้นในหัวใจมันไม่ทำให้เกิดครบชาในหัวใจนี่คืออานาจของกาเพราะงการทั้งหลายทั้งปวง โดยตัวมันเองมันก็เป็นกองทุกขโดยอำนาจของาการสแสวงหาของเราเราก็มีความต้องการอย่างนี้ได้มาพออิ่มพอพอแล้วก็เบื่อพออิ่มพอพอแล้วก็เบื่อจึงเปินความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนความสุขที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาสั่งสอนพวกเรานั้นเป็นความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าหาเราต้องการจะแสวงหาความสุขตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนให้เราหยุดอย่าไปแสวงหาอย่าไปวิ่งตามสิ่งเหล่านั้นอย่าไปวิ่งตามสิ่งที่เป็นกาสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสสรุปลงแล้วก็รวมมาว่าอะไรก็ตามที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อให้เราได้ปัจจัยสิ่งไม่ให้เราให้ไม่ให้เราวิ่งตามสิ่งเหล่านั้นถ้าต้องการความสุขความเจริญใน ห, หัวใจ ให้หยุดไม่ต้องวิ่งตามสิ่งเหล่านั้นหยุดให้จิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวขยับจากศิลเป็นเรื่องของสมาธิเพราะยังนั้นท่านกิสศนให้เราเจริญสมาธิเรื่องของสิลเรื่องของสมาธิจะมีผลส่งนนต์ตามกันอย่างนี้ถ้าเราเจริญสิงปับ๊บจะทำให้เรารู้จักข้อปฏิบัติ ว่าทำยังไงเราจะได้ชีพเราจะได้ประสบความสุขความเจริญอย่างแท้จริงอยากมีความสุขที่บริสุทธิ์ต้องเจริญสมถะและก็วิปัสสนาเจริญสมถะตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านจึงให้หยุดจิตไม่ต้องวิ่งตามอารมณ์ไม่ต้องวิ่งตามอารมณ์ของตัณหาอย่าลืมว่าจิตของเรามันไม่สงบเพราะตัณหามันพาจิต ด, ดีดิ้นทาให้จิตไม่ได้รับความสงบ จิตไม่สงบเพราะตัณหาทำจิตให้ไม่ได้รับความสงบจิตมันพาตัณหามันพารักพาชอบเรื่องทุกเรื่องเสียงเรื่องขลิ่นเรื่องรถเรื่องสรารพัดที่มันจะพาเราลึกราคิดตามใจชอบของมันพระพุทธเจ้าท่านชี้ให้หยุดแต่หยุดตั้งใจจะหยุดเฉยๆไม่ได้จะต้องมีงานให้ทำท่านก็ให้มีคําบริกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราถ น, นะบริกรรมพุโทโธพุทโธพุทโธ ฟุตโธนีเป็นอารมณ์ธรรมหยุดนึกหยุดคิดหยุดปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสมาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมถ้าหากรไม่อยู่ไม่หยุดอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์เหล่านั้นเป็นอารมณ์ที่เป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสปนธรรมธรรมปนกิเลสเพราะฉะนั้นอาตินกรรมของเราจริงสุดบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุดบ้างสับปนกันอยู่อย่างนี้แหละ แต่ถ้าต้องการความสุขที่บริสุทธิ์ท่านจึงให้หยุดนึกหยุดคิดมาอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธเราพิจารณาเห็นอย่างนี้และเราเห็นความสําคัญของสมถะเห็นความสําคัญของความสงบแค่ตัณหามันสงบในหัวใจของเรามันยังไม่ได้ดับไปนะมันนอนแนบนึ่งอยู่ในสันตานของเราเราก็ยังมีความสุขมีความสุขที่ไม่มีความสุขอืนยิ่งไปกว่าที่จะเรียกว่า ภาษาบาลีว่านัทธิสันติปรังสุ ข, ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจิตที่สงบก็คือตัณหาสงบตัณหาสงบเพราะตัณหามันแทกจิตเราไม่ได้เพราะในขณะนั้นจิตของเราดำริทมเช่นอย่างเราดำริพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในขณะที่เราดำริ ก็มีคุณสมบัติของใจชั้นเยี่ยมชั้นดีชั้นเลิศ ช, ชั้นประเสริฐคือสติธรรมสัมผชัญญาธรรมมีเกจจำนงเต็มร้อยตั้งจิตตั้งใจบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเป็นการพยุงเป็นการปลุกผู้รู้คือจิตของเราให้ตื่นรู้อยู่ทุกยะทุกเวลาอย่าลืมว่าผู้รู้ของเราเนี่ยจะรู้จะเด่นจะชัดขณะละหนึ่งอารมณ์ ด้วยเหตุที่เรามีวิธีการอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านส่งคนพรามีวิธีการอย่างนี้พระองค์จึงสามารถเอาชนะตัณหาในหัวใจได้ด้วยเหตุที่สนุบนะงับไม่ให้มันมาแทรกในธรรมได้อาชีนกรรมที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราอยู่ด้วยวิธีอย่างนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาธรรมเป็นการพัฒนาใจเป็นการพัฒนาชีวิตไปในขณะเดียวกันเราอยู่กับธรรม กิริยาที่เราทําที่กิริยาที่เราด âm รีหรือเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทําอะไรก็ตามราพระพุทธอตั้งสติกําหนดหยดจอเราปัดระวังไม่ให้ปัญหามันแทรในหัวใจของเราปัญหาแทรในหัวใจของเราไม่ได้เราอยู่กับอารมณ์อะไรเราก็ทําความรู้จักอยู่กับอารมณ์นั้นๆเท่ากับว่าเราอยู่กับธรรมในขณะที่เราด âm รีธรรมเพื่อประคับประคองจิตของเรานั้น มันเป็นกิริยาของกรรมที่เขาเรียกว่าทำกรรมผลรายได้ผลรายเหลือก็ต้องเป็นเรื่องของทำถ้าหากเราไม่เอากิตของเรามาพัฒนาอย่างนี้กิเลสในหัวใจของเราก็พัฒนามันพัฒนาอย่างไงกิเลสในหัวใจของเรากิเลสมันพาเราทํากรรมในเมื่อกิเลสมันเป็นผู้ทํากรรมผลรายได้ผลรายเหลือเป็นเรื่องของกิเลสจากนี้ไปให้เราคิดเป็นหลักชี้ประจําใจได้เลยว่า เราตั้งใจจะอยู่กับธรรมผลรายได้จะมีเป็นธรรมหลงเหนื้ออยู่ธรรมกรรมวิบากถ้าหากเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตปล่อยใจไม่มีศีลไม่มีธรรมเท่ากับเราอยู่กับกิเลสกิเลสเป็นหัวใจของเรากิเลสเออยันหาเอยอยาสวะเอยอยุปาทานเออยิงทั้งหลายทั้งปวงเรานี้ยคือกิเลสตัวเดียวกันคือตันหาตันหา ที่ท่านพูดถึงตันหานั้นเพราะตัวตันหานั่นแหละมันเป็นตัวสมุทัยมันเป็นตัวเหตุให้ก่อเกิดทุกข์เกิดโทษเราดูแขนสาขาของมันโยมยังเต็มไปหมดเกี่ยวกับเรื่องที่มันโยงจิตของเราให้ไปเกี่ยวข้องกับกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงคือสมุทัยคือตันหากามตันหาวิภาวะตันหาวิภาวะตันหาเราไม่ต้องไปแยกแยะก่อนวันทั้งวันคืนทั้งคืนถ้าเรา มาทำความสงบจดจอรู้อยู่อย่างนี้เราจะเห็นตัวมันออกมาเห็นกิริยาการเพราะมาันออกมาที่ใจของเรามันแสดงความอยากออกมาเราตั้งใจจะพยายามทําความรู้จักกับเจ้าตัณหาในหัวใจของเราอันนี้คือก้นบึ้งของกิเลสตัณหาในหัวใจของเราเลยนะที่เราพูดถึงนี้ถ้าเราสงบระงับดับสิ่งเหล่านี้ได้เราไม่ต้องไปพูดถึงเหตุผิวเผินอยู่ข้างนอกที่เรามาตามแก้ เพราะเรารู้ลึกถึงก้นบึ้งของของมันคือตัณหาในหัวใจของเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในขณะที่จิตเราบริกรรมพุทโธพุทโธคืออารมณ์ที่เป็นธรรมอยู่นั้นอยากคิดว่าตัณหามันจะไปไหนมันก็ตามมาข้างหลังนั่นแหละถ้าเราเผลอปั๊หมายว่าสติเราอ่อนปั๊บความสว่างของใจเราอ่อนปั๊บความแข็งแรงของสติของสมาธิของเราอ่อนปั๊บ ปัญหาแทรกทันทีนีถ้าใครเคยอ่านหนังสือลงตาท่านจะเขียนหนังสือธรรมะคู่แข่งขันธรรมะคู่แข่งขันที่ท่านต้องเขียนตรงทศนานั้นก็คือกิเลสกับธรรมนั่นแหละมันแข่งขันกันในหัวใจของเราโดยที่ท่านเปรียบเทียบว่าหัวใจของเราถ้าจะเปรียบมันเ้าอี้หนึ่งตัวถ้ากิเลสกับธรรมนั่งพร้อมกันได้นั่งพลาซีแต่ถ้าให้นั่งได้ เต็มเก้าอี้ก็นั่งได้ครั้งละครั้งละหนึ่งคนเปรียบเสมือนคนสองคนถ้านั่งพร้อมกันก็ได้กับพลัตซี่ของเก้าอี้แต่ถ้านั่งต่างคนต่างนั่งนั่งได้ครั้งละหนึ่งคนใจของเราผู้รู้ของเราตราบใดที่เราให้มีธรรมกากับกิเลสมันก็แอบข้างๆนั่งแหละพอเราเปลอปั๊บมันก็สวมรอยเข้ามาเอาไปใช้แล้ว เหมือนอย่างที่เรานั่งปฏิบัติกรรมภาวนาะพุโทโธพุโทโธพุโทโธเผลอปักจิตของเรานึกยปรุงเรื่องอะไรตามมาก็ไม่รู้โอ้ไปได้ยังไงหลุดไปได้ยังไงแน่คือสติของเรามันผ่อนปัญญาของเรามันผ่อนสมาธิของเราผ่อนความตั้งใจของเราผ่อนความปอดความทนของเราผ่อนเราทําสิ่งเหล่านี้เป็นอาชีพจะทําให้กรรมของเราเป็นวิบากกรรมที่แน่นหนามันคงขึ้นท่านจึงให้ฝึก ฝึกจิตให้ได้รับความสงบจิตสงบ ก, ก็คือตัณหาในหัวใจของเราสงบยิ่งเราศึกษาไปเท่าไหร่เ ร, า, ร า, าย่รู้จักคนรู้จักอบายรู้จักวิธีพวกมันมากมายมากมูลเพิ่มปูนในหัวใจของเราเราจะรู้ว่าอะไรเป็นคนเป็นอบายมายาของตัณหาอะไรเป็นวิธีการของธรรมะที่จะพึงเจรินหัวใจของเราแท้ทีจริงเราเลงมาตรงนี้เราจะเห็นงาน ซื่เกี่ยวข้องทำกับกิเลสในหัวใจของเราเรามีใจมีธาตุรู้มีผู้รู้มาคนละหนึ่งดวงแต่กิเลสมันปนเปื้อนมาด้วยมันฉาบทามาด้วยใครเป็นคนฉาบทาให้เราไม่มีหากพัฒนามาอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจิตของเราไม่ว่าจิตของท่านไม่ว่าจิตของใครตราบใดที่เรายังมีกิเลสตัณหาอยู่ใ น, ในหัวใจของเราใจของเราเลยเป็นกองสังขาร เพราะฉะนั้นเราจรึงแสวงหาพบภาชาติพบชาติของเราสูงสูงต่ําๆำด้วยอํานาจของกิเลสในหัวใจของเราเนั่นแหละพาพฤติกรรมของเราไปทํานัน้นทํำนี้สูงสูงต่ําๆนุ่นุ่ตอนๆดีบ้างไม่ดีบ้างเกิดในที่สูงบ้างที่ต่ำบ้างการพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงพบชาติของเรานั้นเป็นไปตามอํานาจพฤติกรรมของเราที่กิเลสในหัวใจของเรามันพาทำ โอกาสใดระยะใดเวลาใดที่ทําพาทำทําให้มากเจริญให้มากมีให้มากตราบนั้นคุณสมบัติของทําในหัวใจของเราจะเพิ่มปูนทวีปูนมากขึ้นถ้าพูดถึงว่าพบชาติก็จะไปดีขึ้นจะไปสูงขึ้นจะไปละเอียดขึ้นจะไปประณีตขึ้นมันแข่งขันกันอยู่มาอยู่อย่างนี้แหละตลอดเหมือนอย่างที่เราเกิดมาในอัตภาพนี้เรามีขันห้าเรามีรูป และกรรมีนามนามก็คือใจรูปก็คือร่างกายอัตภาพของราร่างกายของเราเป็นกองสังขารจิตของเราก็เป็นกองสังขารที่จะเรียกว่าเป็นนามสังขารสังขารที่เป็นรูปสังขารที่เป็นนามใจของเรามีกองสังขารเพราะใจของเราไม่บริสุทธิ์ใจคือผู้รู้คือท่ารู้ท่ารู้ของเราไม่บริสุทธิ์มีกิเลสปนเปื่อนอยู่ในนั้น มีสองสิ่งกับกิเลสขึ้นชื่อว่าสองสิ่งกับกิเลสแต่บทบาท ว, บาวิธีที่มันจะเอาจิตของเราไปทำธารุนกรรมนั้นมากมายมหาศาล้วยเหตุที่มันมีสองสิ่งอย่างนี้เองท่านที่เรียกว่าสังขารสังขารจิตตราบใดมีกองสังขารตราบนั้นจะต้องมีไตรลักษณ์กองสังขารจิตก็มีไตรลักษณ์อันนี้อางทุกขอนักตากองสังขารรูปก็มี ไตรลนะอันนี้จังทุกข์ขานัตตาภาวะอันนี้เป็นภาวะที่มีความสําคัญมากที่พระพุทธเจ้าท่านให้เรามาพิจารณาเพื่อมาให้เห็นข้อเท็จจริงว่าเราหลงด้วยด้วยด้วยสิ่งใดเราจะรู้เราจะสามารถระลักออกได้ด้วยสิ่งใดด้วยอย่างไรท่านจึงยบสังขารนี่แหละมาให้เราศึกษาเราจะรู้ว่ารวมทั้งตัวเราอัตภาพ ของเราสิ่งรอบข้างตัวเราทั้งหมดในโลกนี้ทั้งหมดเป็นกองสังขารทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่ว่าโลกกระาไานไหนก็ตามจึงเป็นโลกกระถาที่อยู่ภายใต้อันนี้อย่างทุกขังอนัตตาคือกองไปลเพราะโลกเหล่านั้นคือกองสังขารทั้งนั้นสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารมีอยู่หรือสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารมีอยู่ สิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่กองสังขารนั้นคือพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธิจยาเพราะท่านชักลางกิเลตในพระไทยของพระองค์หมดจดสิ้นโดยสิ้นเชิงก็สงสารว่าพระอรหันต์สาวกทั้งหลายท่านชักลางกิเลสน้อยใหญ่ในพระไทยในใจในขณสันดานของท่านออกหมดจดโดยชิ้นเชิงเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวอันนั้นท่านไม่เรียกกองสังขาร ท่านมีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่าวิสังขารวิสังขารเป็นอื่นไปจากกองสังขารเพ ร, ราะฉะนั้นพระจิตของพระอาหารหันต์พระจิตของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีพบจำกัดไม่มีการเวลาจำกัดเมื่อลักเข้าอนุปาทิเสฉะนิพพานไปแล้วผู้รู้ที่บริสุทธินั้นก็ดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาล ไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีพกไม่มีอะไรที่จะไปจํากัด น, นี่คือสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารยกขึ้นมาเพื่อเราทราบว่าจิตของเราเป็นกองสังขารสังขารจิตโ ด, ดยเหตุที่จิตมีกองสังขารจึงแสวงหาพพชาบัตินี้เรามาอาบัติในมนุษย์ซึ่งมีรูปด้วยมีนามด้วยสังขารที่เป็นส่วนรูปสังขารที่เป็นส่วนนามมาประกอบกันมาเกี่ยวข้องกัน เราดูแต่เราดับชีวายชนไปเรามีแต่วิญญาเราไม่ได้จิตเรามีแต่ผู้รู้ไปตามบุญตามกรรมไปตามบุญตามกรรมยังมีพวกมีชาติที่เราจะต้องไปเที่ยวจับจองอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องได้ไปอุบัติได้ตามบุญตามกรรมมีคุณสมบัติพอก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีคุณสมบัตไิมนมนมมตไม่พอก็ไปอุบัติเป็นสธธัตว์นรจฉานต่ำลงไปอีกเป็นเปรตเป็นนรกเป็นสัตว์นรกอสูรกาย แต่ถ้ามีคุณสมบัติพอเขามาอวบัดเป็นมนุษย์แม้แต่คุณสมบัติของมนุษย์ก็ไม่เท่ากันเราจะเห็นว่ามนุษย์บนโลกนี้จะมีความสมบูรณ์ไม่เท่ากันบางคนสักว์แว่าเป็นมนุษย์จรกงๆเกิดขึ้นมาหายใจฟอดฟอดบ้าใบวิคนวิการบางคนมีสติปัญญาพรักษาตัวได้บางคนมีสติมีปัญญาต่างๆบางคนเป็นอัจฉริยะบุคคลนี่คือคุณสมบัติคือคุณงามความดีที่สั่งสมอบรมมาไม่เท่ากัน ถึงการถึงคราวที่เรามีโอกาสได้ทำอย่างนั้นเราก็เป็นการพัฒนาภรบภูัวของเราให้สูงสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเมาอบัติในพบนี้เราจาเป็นที่จะต้องมาเกิดในท้องแม่ทุกคนเกิดในท้องแม่ในท้องแม่นั้นเราทุกคนไปอุบัติในท้องแม่เรา เกิดด้วยอํานาจของสมุทัยจริงหรือสมุทัยก็คือตันหาเราไปบัติในท้องแม่ก็เพราะว่าพ่อกับแม่ท่านทําการเจริญพันธ์นั้นก็ท่านเจริญพันธุ์เสร็จแล้วเป็นเหตุให้ธาตุพ่อธาตุแม่ไปประกอบกันในท้องแม่เกิดขึ้นโดยอํานาจของตันหาในใจของพ่อของแม่ ในใจของเราก็มีตัญหาเนื่องจากว่าเราช้างยังไม่หมดยังไม่บริสุทธิ์เราก็ไปเที่ยวจับจองเอาพบเอาชาติก็ไปบำบัดในท้องแม่ท้องแม่ก็เป็นกองสังขารกองสังขารหนึ่งคือกองสังขารของพ่อกองแม่ประกอบกันในท้องแม่กองสังขารอีกอันหนึ่งก็คือจิตของเราจุดภาพรู้ของเราที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละไปจับจองตามรำนาจของตัญหา เมื่อไปจับจองแล้วไม่เคยอยู่เท่าเดิมเลยเราดูมาตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าในกองสังขารกองนั้นนัน่ะไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปความไม่อยู่เท่าเดิมของกองสังขาร น, นั้นเป็นทุกขังท่านเรียกว่าทุกขันตามหลักอริยสัจทั้งสี่ท่านเรียกทุกขันความไม่คงทนอยู่ในสภาพเดิมเปลี่ยนไปเป็นอนิจจ์พระพุทธเจ้าจับตรงนี้มาอธิบายมาบอกมาแนะมาสอนให้พวกเรา ให้เราเห็นคุณเห็นโทษในอัตภาพร่างกายของเราในจิตใจของเราร่างกายซึ่งเป็นรูปประธรรมที่ไปอุบัติในท้องแม่ประกอบกับจิตคือผู้รู้เข้าไปจับจองเจ็จแล้วก็ไม่เคยมีอะไรอยู่เท่าเดิมเหมือนอย่างที่ฉันว่าะระยะแรกเหมือนเป็นน้าําใสๆต่อไปเป็นน้ำข้นๆเป็นน้ําล้างเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจะสาขาแต่ละขณะของจิตของเราเนี่ยรูปประสังขารเหล่านั้นพัฒนาไปไม่เคยอยู่ หาจเจอในวัยที่ควรเจิญและจะเสื่อมในวัยที่เสือ่อมพัฒนาไปด้วยเจ็ดวันแปดวันสิบวันสองเดือนสามเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือน9้าเดือนครบเอาวัยวะสาบสองอยู่ในช่องแม่เราก็คลอดออกมาถูกผลักดันออกมาทุกระยะทุกเวลานี่คือลักษณะของอนิจจังกับทุกขงังยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นได้ชัดว่าอนิจจังทุกขังในกายของเราถ้าหากเราเอาอันนี้มากําหนด บทเป็นบทพิจารณาในการพิจารณาเกิด ค, ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมาฐานจะเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเข้าใจมาถึงชีวิตจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีเราไปเที่ยวจับจองในท้องแม่เ พ, เพราะเรามีตันหาและก้อนธาตุก้อนนั้นก้อนธาตุของพ่อของแม่ไปประกอบกันในท้องแม่ก็เพราะอํนนานาจของตันหาคือตันหาในใจของพ่อของแม่มีแต่พ่อ ก็เกิดไม่ได้มีแต่แม่ก็เกิดไม่ได้มีพ่อกับแม่ประกอบกันกิงมีกองสังขารกองนั้นมีเราให้เราเห็นว่าอั น, นิจ้องทุกขังอนัตตาพอออกจากท้องแม่มาอัตภาพร่างกายมันบีบขั้นในตัวของมันที่เรียกทุกขงังทุกขังไม่อยู่เท่าเดิมกองสังขารกองนี้ปปฏิบัติในท้องแม่พอปฏิบัติปั๊บเท่ากับโรงงานโรงหนึ่งดีๆนี่เอง ทำงานไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนเกจเดือนแปเดือเนเน้าเดือนคลอดออกมาออกมาจากท้องแม่พ่อแม่กัตบต้องป้อนโดยข้าวป้อนโดยน้ำนมโตขึ้นมาก็ใส่เข้าไปเองใส่ข้าวปลาอาหารใส่เข้าไปเองทำไมต้องใส่ใส่ไปได้ครั้งละสองชองั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ใส่ไปอีกแล้วมาเสื่อมไปบทขยบบดย่อยแล้วก็เสื่อมไปบทย่อยแล้ไปเสื่อมไปสังขารจะไม่อยู่เท่าเดิมในร่างกายของเราไม่เคยมีอะไรอยู่เท่าเดิมนี่คือกองสังขาร ดูมาให้เห็นว่ากองสังขารไม่เคยมีอะไรอยู่เท่าเดิมการที่เราเห็นสังขารไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมต้องเปลี่ยนไปไม่อยู่เท่าเดิมเป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังตามหลักของอริยสัจขั้นีไม่อยู่เท่าเดิมนั่นเป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังพราเราอาจจะรู้จักใช้ว่าทุกขังทุกขังคือทุกเจ็บทุกปวดทุกปวทุกไข้แต่ความทุกข์ที่ พระพุทธเจ้าททร ง, สงสแสดงตามหลักอริยสัจสี่นั้นทุกขังคือสภาพที่อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปไม่มีสิ่งใดแม้หนึ่งเดียวที่อยู่เท่าเดิมเราดูรอบข้างตัวเราทั้งหมดไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมจะเป็นแผ่นหินแผ่นดินต้นไม้ภูเขาจ ะ, จะให้จะเห็นมีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีเป็นเพชรนิลจินดาเป็นเหล็กกล้าเป็นอะไรก็แล้วแต่หากบางอย่างมีอายุยาวมีอายุสั้น พวกสัตวทั้งหลายสัตว์ตัวเล็กๆพวกยุ่พวกอะไรเขาก็มีอายุสั้นมากมากหลายบบมนุษย์ก็มีอายุแ0ปี80ปี100ปีเนี่ยพวกเทวดาชั้นสูงๆขึ้นไปอีกละเอียดตอ น, นี้ขึ้นไปมีอายุยืนยาวเข้าไปวัตถุทั้งหลายทั้งพวงก็เช่นเดียวกันวัตถุที่ย่อยสลายง่าก็พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปง่ายที่แข็งมากกว่านั้นก็ไปอีกเป็นเพชรนิจินดาเป็นเหล็กกล้าเป็นอะไรต่ไรสารพัดเนี่ย อีกเป็นล้านปีก็จะต้องเปลี่ยนรูปอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่คืออันนี้จักทุกขังอนัตตาที่พระพุทธเจ้ า, ท, าท่านทรงสแสดงทนีนี้หลักเกณมของอนนี้จักกับทุกข์ขันธ์นั้นนะจะมีประจำกองสังขารไม่มีใครสามารถดัดแปลให้เป็นอื่นไปได้แ ม, ม้พระพุทธเจ้ากี่พระองค์กี่พระองค์อุบตัตมาแม้แต่พวกเราเคยได้ยินคําอุปมาว่าพระพุทธเจ้าอุบตัต มาแล้วมากกว่ า, มาเมล็ดทายในะน้ำของขาก็ตายไม่มีพระองค์ใดเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่จะดัดแปลงอนิจจังกับทุกขังให้เป็นนิจจังให้เป็นสุขขังให้เป็นอัตตาได้ไม่มีใครสามารถจะดับแปลงได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงให้ความหมายว่าอนัตตาอนัตตา้นเมื่อรัดัดแปลงให้เป็นสุขขังก็ไม่ได้นิจจังก็ไม่ได้ ก็ต้องเป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาไม่ได้โดยเหตุอันนี้เองมันจึงเป็นข้อยื้อแย่งกันระหว่างธรรมะกับกิเลสกิเลสในหัวใจของเราพยายามดึงเรื่องอัตตาขึ้นมาแต่ธรรมะที่เราจะพิจารณาให้ละเอียดลึกไปจนถึงคำสอนสูงสุดที่พุทธเจ้าทรงกล่าวไปนั้นคืออนัตตาสิทั้งสมอย่างนี้มีประจำกองสังขาร เราดูมาที่รูปกายของเรามีประจันของสังขารรูปเราและมีประจันของสังขารนามคือใจของเราใจของเราถ้าหากไม่เหลือหนึ่งเดียวพนเพื่อนกับกิเลสตัณหาอาสมะแล้วจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปไม่หยุดไม่หย่อนสิ่งที่เราพอจะเห็นได้ก็คือพบชาติเปลี่ยนไปมันรู้จักจบอัตภาพร่างกายของเราเปลี่ยนไปมัรู้จักจบเราเห็นมีใครอยู่เท่าเดิมบ้างนับตั้งแต่คลอดออกจากแม่ท้องแม่ใหม่ๆมา กี่ปีกี่วันกี่เดือนกี่ปีขยับมาเรื่อยขยับมาเรื่อยเป็นวัยเด็กเป็นวัยทารกเป็นวัยเด็กเป็นวัยหนุ่มเป็นวัยสาวกลางคนแต่หากสังขารของเราจะเจริอในวัยที่เจอแล้วก็จะเสื่อมในวัยที่เสื่อมถึงวัยที่เสื่อมเพราะสังขารของเรานั้นมีอายุไขจำกัดจะเจริอในวัยที่คนเจริญจะเสื่อมในวัยที่ควรเสื่อม เจริญต้องเริไปด้วยเราก็นัดยับยังไม่อยู่ไม่อยู่เท่าเาดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเนี่ยพวกเรามนุษย์ทั้งหลายมีความสามารถสามารถดัดแปลงได้ดัดแปลงธรรมชาติให้เป็นไปตามใจหวังได้เช่นอย่างดัดแปลงไฟฟ้านี่ให้สว่างขึ้นมาได้ดัดแปลงลมให้มาพัดให้เย็นชุ่มช่าอยู่ในหัวใจของเราได้ดัดแปลงกระแส น, น้ําให้ไหลจ า, ากที่ต่ำขึ้นไปที่สูงได้ สามารถดัดแปลงได้มนุษย์เรามีความสามารถดัดแปลงได้แม้ระดับพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แ, แท้ๆดัดแปลงอันนจ้อยงทุกข์งอนัตตาไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจริงพิจารณาโปรงปล่อยเห็นว่าโอ้ไม่ใช่อัตตาเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาตราบลายที่กิเลสทั้งหลายยังมีในหัวใจของเรามันจะยุจิตของเราให้กำเริบอยู่ทุกระยะทุกเวลาว่าอัตตาอัตตาอัตตา จะลืมว่าแม้แต่อาจารย์ของพระพุทธเจ้าอุทกกระดาบทาระดาบทท่านได้เข้ารูปปสมมาบัตอรูปปสมมาบัตมีความละเอียดมีความสุ ข, ขุมมีความสุขอย่างยิ่งยวดบรรดาสุขทั้งหลายในโลกที่ไม่มีความสุขใดจะมีความสุขเท่ากับรูปปสมมาบัตอรูปปสมมาบัตคือความสงบอย่างยิ่งเอาอรูปประชานมาเป็นอารมณ์เวลาต้องการความสุขท่านก็เข้า สู่สมาบัติเหล่านั้นเวลาต้องการความสุขท่านเข้าสู่สมาบัติเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะออกจากสมาบัติเหล่านั้นได้เพราะท่านติดสุขท่านติดอัตตาถ้าไม่มีอัตตาแล้วจะเอาอะไรมาสุขถ้าไม่มีอัตตาแล้วจะเอาอะไรมาสุขโดยเหตุที่ต้องการความสุขจึงต้องมีอัตตาปล่อยไม่ได้รักไม่ได้วางไม่ได้รูปที่ย่อท่านไปเรียนจบภายในระยะเวลาที่สั้นรูปสมาบัตรรูปสมาบัติ อาจารย์บอกว่าเธอเรียนจบหมดแล้วพระองค์ย้อนมาดูพระไทยของพระองค์กับปณิธานที่พระองค์ตั้งใจเอาไว้ว่าจะชำระความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากหัวใจย้อนมาดูพระไทยของพระองค์มีความทุกข์เต็มแป้อยู่ในนั้นทุกหวงใหญ่ทุกวิตกทุกกังวลทําไมจะไม่วิตกไม่กังวลเพราะพระองค์เป็นลูกกษัตริย์เป็นราชทายาทวงใหญ่พิมพาราหุน ประชาชนพระยาพระองค์ทั้งหลายที่ขวบพระองค์ต้องหงายเอ๊ะไม่ใช่ถึงจะเรียนจบแล้วก็ยังไม่ใช่ด้วยเหตุที่สัมมาสัมพุทธะของพระองค์มากระตุ้นเตือนในพระไทยของพระองคพระองค์ชี้เห็นว่าเห็นว่าไม่ใช่คืออาอาจารย์ออกมาบางเกนโดยลําพังลาอาจารย์ออกมาบังเกนโดยลําพังแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าพระองค์จับเสื้อมือเปล่าเราจะเห็นว่าพระองค์สร้างบา ร, รมีมามารู้ต้องกี่อสองไขยกับกีอสองไขย กว่าจะได้บรรลุยักว่าจะได้ตรัสรู้กว่าจะได้สิ่งเหลนี้สมมติสมหมายเพื่อที่จะชะล้ า, ลางจิตของท่านให้บริสุทธิ์เหลือหนึ่งเดียวถ้าไม่มีบุญญาบารมีชักไม่ได้ป อ, ไ ม, ไ, อไม่ได้ล้างไม่ได้เหมือนอุทกกดาบุรอากระดาบดุตนั้นแหละในที่สุดพระพุทธเจ้าท่านเสียดายมากตอนหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วอาจารย์ของพระองค์นี่มีกิจที่ละเอียดมากแต่ยังไม่รู้จักช่องออกไม่รู้จับทางออก ถ้าพร้อมได้ไปเทศยังไม่จบหนึ่งคาถาแหละคงจะสว่างโร่เลยแหละเชียดาเชียดาของหนึ่งล่วงไปแล้วเกียวันของหนึ่งพิ่งล่วงไปเชียดายอาจารย์เละกูนเมื่อดับที่ใบเชิญไปกันูไปอบัตที่พรห ม, มโลกอรูพรมหมนี่โอ้อายุมากมา ย, ม, ายมหาศาลอ่ากว่าจะมาอบัตอีกก็มาอบัตตามบุญตามการรมอีกอันนี้คือลัทธิลัทธิหนึ่ง เขาถืออย่างนั้นเขาถือว่าอัตตาอัตตาอัตตาก็คือตัวตนคําว่าตัวตนเนี่ยมันแสดงมันบอกความรู้สึกอยู่ในใจของเราด้วยเหตุที่เรามีสัญญาเราก็ใช้สัญญาใช้สัญญานั่นแหละยึดมัน่นถือมั่นสิ่งนี้ยึดมั่นสิ่งถือมั่นสิ่ง น, นี้ด้วยได้เห็นได้ยินนับตั้งแต่เราเกิดพบไหนชาติไหนมีตามีหูมีจมูกมีจิตมียินยานี่แหละรเราก็ยึดถืออยู่ร่างไปไม่จบไม่สิน้น เพราะฉะนั้นะความยึดเหล่านี้จึงมีอยู่มาเป็นประจำโอกาสที่จะละถอนอยากสิ่งเหล่านี้ไม่มีจึงถืออยู่อย่างนั้นตากตาพระพุทธเจ้าท่านออกมาบําเพ็ญดยลําพางพระองค์ก็ระลึลกถึงอารมณ์ที่พระองค์เคยบําเพ็ญตั้งแต่สมัยเป็นราชกุมารวันนั้นเป็นวันเพ็ญเอือนหกเป็นวันที่พระองค์จะได้ตระสรู้อ่า ตอนเช้าพูดถึงนางสุชาดาถวายข้าวมัททุปมาตยาญาติพระองค์พระองค์ทรงนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ต้นโพนางสุชาดาก็เอาข้าวมัททุปปายาดไปถวายถวายทั้งถาทองคาซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าสมควรพระองค์ไปปั้นปั้นได้สี่สิบเก้าท่อนถือไปสเสวยที่ฝังแม่น้าเมรัญชาราวันนั้นพระองค์สเสวยจนหมด คงจะเป็นวันเดียวที่พระองค์สเสวยเต็มอิ่มคงจะสเสวยมากพอสมควรวันสเสวยจนเต็มอิ่มอ่แล้วก็เป็นวันที่พระองค์ทรงรัศมีเปล่งปลงั่งแม้แต่คนบริวาลของนาคิชาดาไปเห็นยังแปลกตาตาสิจานเห็นว่าเป็นเทพเจ้ารัศมีสว่างสวายอยู่นั่นหลังจากถวายแล้วต่างคนต่างให้ศีลให้พรกันพระองค์ก็ถือไปสเสวยที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชารา สวยจนหมดและอธิษฐานลอยถาดในแม่น้ําถ้าพระองค์จะได้ต ร, รัสรู้เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะคอยถาดใบนี้ลอยทวนกระแสน้ําถ้าดลอยทวนกระแสน้ําเรามาคิดดูสิบารมีของอะไรอานาจของอะไรทําให้ให้ถาดทองคำใบนั้นลอยทวนกระแสน้ำนี่ถ้าเป็นพวกเราก็มีอกดีใจแล้เราจะต้องได้ตรสรู้แน่นอน พระองค์สวยอียิราบทกันเวลาใกล้ข้ามกลับมาที่ต้นโพได้รับหญ้าคาแปดคำมาปูต่างบันลังที่ต้นโพแล้วทรงประทับนั่งบางตำนานก็ว่าพระองค์อธิฐานให้เป็นวัชระบันลังวัชรบันหลังนั้นก็ปรากฏขึ้นอันนี้คือที่มาบางทีก็ว่าพระอเอายญ้าคาคแปดคันั่นแหละไปปูเป็นที่นั่งจากนั้นและพระองค์ก็ดำรง จิตตั้งมั่นที่เรียกว่าตั้งสัจจาทิฏฐานตั้งสัจจาทิฏฐานาจาตุรงค์พมหาประธานจ่าตุรงค์มหาประธานทาั้งสตั้งสัจจาทิฏฐานคือสัจจะบวชอธิฐานอธิฐานคือความปรารถนาปรารถนาบรรลุธรรมคำว่าอธิฐานสัจจะก็คือมาแลกด้วยเลือดด้วย เ, เนื้อเนือแต่หุังกระดูกก็ตามตราบใด ยังไม่บรรลุกจกไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดในคืนวันนั้นนะว่าพระองค์ได้ชนะพญามาตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกมีพอปฐมยามท่านพูดถึงว่าพระองค์ได้ทุกเพลิวาสารสติญาณพูดถึงความสงบนั่นแหละพระองค์ทรงสมาธิสมาบัติเต็มแพรเราไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงสมาธิแหละอาณาปานาสตินี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเรามาพิจรารณาโดยที่อาณาปานาสติ เราไปดูในหลักหมหัสติเราเปิดหน้าแรกเราก็เจอเลยะอาณาปานสติพิจารณาลมำกำลนดลมนั่งหลับตาสิ่งที่ปรากฏในตัวเราก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งเป็นธรรมชาติของการพระองค์แล้เอาเนี่แหละมาจับตามลมลมเข้ายาวก็รู้ลมออกยาวก็รู้ลมเข้าสั้นก็รู้ลมออกสั้นก็รู้นี่ตามหลักหมหาสติประฐานที่พระองค์ทรงแ ส, งสดงเอาไว้ พอถมยามร่วงไปพระองค์ได้บรรลุภุกเพนิวาสานุสติญาณมียามอย่างหนึ่งาาทราบว่าทําให้พระองค์ระลึกถึงภพชาติเบื้องหลังได้ไม่รู้จบจบเป็นกลับกับเป็นอาสงไขยกลับระลึกย้อนหลังไปไม่จบพยายามท่านกลางก็ได้ยานอีกหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องแปลกในพระไทยของพระองค์ที่เท ว, วจุทูต ป, ปาตญารู้ภพชาติของสัตว์ทั้งหลาย สองยามนี้ทั้งพระธรรมยามทั้งมัดชิมยามเนี่ยทำให้พระองค์เห็นภพชาติของพระองค์เกิดดับเกิดตายเกิดตายไม่รู้จบจบและเห็นสักว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายด้วยอานาจของกรรมไม่รู้จักจบก อ, อ, จจบอู้หน้าเบื่อหน่ายการเกิดการตายด้วยประกิตของพระองค์ที่หมุนอยู่ในธรรมไม่หยุดไม่ย่อนจนถึงวาระสุดท้ายอาสวัคคยาญปรากฏขึ้นในปัจฉิมในปัจฉิมปัจฉิมยาม มียามอย่าหนึ่งทราบว่าพระไทยของพระองค์บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปจากพระไทยของพระองค์พระองค์ย้อนมาดูพระไทยของพระองค์เลี่ยงรปลาหมดจดไม่มีอะไรตกค้างเหลืออยู่ทุกแม้เท่าเม็ดสีเม็ดสายไม่มีในพระไทยของพระองค์จึงเป็นเหตุให้พระองค์พอพระไทยในขืนที่พระองค์ได้กลับสู่นั่นนี่คือความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ที่พระองคได้ทรงบําเพ็ญมี่เราพูดเราไม่ได้พูดถึงย้อนหลังสมัยบําเพ็ญบารมีมารู้เท่าไร่ต่อเท่าไหร่ปีกับอีอสงไขก่กับมากมายมห า, าศาลว่าจะองค์จะมารู้จักวิชาการเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่จะอามาบอกมาสอนพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายวันนี้ได้ยกอุ ป, ปมาเรื่องกองสังขารที่เป็นนามสังขารที่เป็นรูปสังขาร มาอธิบายเทียบเทียงถึงหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ขอให้เราได้เห็นด้วยในสมาธิเห็นด้วยในปัญญาเห็นด้วยในสมาธิเห็นด้วยในปัญญ า, ด า, ดญญาโดยเฉพาะปกติจิตของเรานั้นน่ะเราพยายามทำจิตของเราให้ได้รับความสงบให้ได้มีสมาธิมีสมาธิมีความสงบในหัวใจของเราอย่าลืมว่าความสงบ ตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นที่เรียกว่าสมาธิสมาธินั้นเรียก ว, ว่าความตั้งมั่นแหง่งจิตความตั้งมั่นแหง่งจิตในนั้นมีปัญญาอยู่ในนั้นด้วยท่านทั้งหลายถ้าหากไม่มีปัญญาท่านจะสงบได้ยังไงท่านมาดูบทบริกรรมบทธรรมะที่เราเอามากํากับสติธรรมสัมปชัญญะธรรมสติธรรมกับสัมปชัญญะธรรม เราลืล่อนมาที่จิตของเราคือผู้รู้ของเราสติก็เกิดจากจิตสัมผัยัญญาเกิดจากจิตเป็นอาการของจิตเราไม่ต้องพูดถึงตามหลักพิธธรรมตามหลักพิธธรรมท่านเรียกชื่อไว้หมดว่าจิริยาณการของจิตอย่างไรอย่างนีท่าเรียกชื่อหมดอันนี้เราพูดเพื่อเอามาพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจโดยธรรมเพื่อจะได้เดินตามพระองค์ไปได้สติธรรมตั้งโรขึ้นมาสติธรรม คือเราพยายามปลุกจิตเขาให้ตื่นรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวตั้งเจจำนองอยู่นะรูเหมือนอย่างเราตั้งใจบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละอืถ้าเราจิตเราอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไม่ทิ้งคำว่าพุทโธพุทโธต่อเนื่องไปเขาจะเริ่มมีบีติเขาจะเริ่มมีความสุขอันเกิดขึ้นจากอารมณ์อันเดียดนั้นจะแล้วจะขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อย ความตั้งมั่นแห่งจิตนั้นมีปัญญาอยู่ในนั้นท่านทั้งหลายไปคิดได้ยังไงว่าความสงบเหมือนต่อไม้เหมือนหินความสงบแห่งจิตนั้นสงบเต็มที่เหมือนอย่างสัมมาสมาธิที่ระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสนจิตจะสงบละเอียดลึกรู้อยู่กับอารมณ์ภายในจิตตัวเองนั่นแนหะที่ทเรียกว่าอุเบกขากับเอกกตา จิตสว่างตื่นรรู้อยู่ในนั้นแหล ะ, ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหายเงียบไปไหนเหมือนอย่างเรานอนหลับนอนนอนหลับไม่รู้อืบางทีก็ฝันบางทีกไม่ฝันหายเงียบไปเลยอย่างนี้ตื่นมาแล้วไม่รู้อะไรเลยสมาธิที่ท่านเข้าสู่ความสงบามหลักที่พุทธิยถาท่านสอนนั้นเป็นสมาธิอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจริงให้ความหมายว่าความตั้งมั่นแห่จิตหมายความว่า จิตของเราพร้อมพร้อมที่จะทํางานเหมือนท่านทั้งหลายตั้งใจจะทํางานจะตั้งใจเขียนหนังสือบนต๊ะบนเก้าอี้มีเก้าอี้หน้ามีปากกามีโต๊ะวางกระดาษมีปากกาเขียนตั้งใจขีเขียนเพื่อที่จะให้งานนั้นสําเร็จเสร็จสิน้นหรือเหมือนเราจะยืนจะฟันจะตักจะอะไรสักอย่างเราจะจะต้องมีที่ยืนทําเป็นที่พร้อมจิตของเราตั้งมั่นเป็นจิตพร้อม แต่ถ้าจิตสงบเรียดลึกเข้าไปทําไม่ได้ท่านให้พักอยู่อย่างนั้นท่านขยับมาจิตขั้นอุปปจาระคิดได้พิจารณาได้อะไรได้เพราะฉะนั้นเราประมวลมาลงที่หลักของมหาสติที่พุทธิยถาท่านทรงสแสดงมหาสติปัฏฐานที่พุทธิยถาท่านทรงสแสดงเท่ากับเป็นมองกุฎกรรมฐานอารมณ์สี่อย่างในมหาสติที่ท่านพูดเอาไว้นั้นคือกายเวทนาจิตธรรมเอากายมาเป็นอารมณ์สำหรับพิจารณา เอาเวทนามาเป็นอารมณ์สรับพิจารณาเอาจิตมาเป็นอารมณ์สรับพิจารณาเอาทำเป็นอารมณ์สรับพิจารณาให้เราเลือกตามจิตตามมิสัยของเราเราจะพิจารณาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถึงกันหมดทะลุ ก, กันหมดจะพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นเรื่องของกายเราพิจารณาจนเกิดความรู้เกิดญาณทัศนเหมือน่างพระพุทธเจ้า มันก็คือหลักมหาสิรรยปัญหานั่นเองสามารถบรรลุเข้าสู่ฌานเข้าสู่ญาณทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้เราจะพิจารณาวิทนาเพราะจิตของเรารับรู้รับทราบ และตัณหามันพาดพิงนะเวลามันภาดพิงภาดพิงมาที่กายถ้านเอาจิตมากำหนดที่กายอย่างหนุ่กระดับหมดมันจะแทรกมาที่เวทนาที่จิตที่ทำรก็ไม่ได้หรือเราจับเวทนาอย่างเดียวเพราะถ้าเราดูกายพิจารณากาไปกายนานๆเหมือนอย่างที่เรานั่งเนี้ยมันจะมีเวทนาเวทนาคือความเปียบความปวดที่เด่นที่สุดหรือจะเราจะพิจารณามาที่จิตอย่าง หลงตาหลงตาก็เด็จพระคุหลงตามหาบวชท่านให้พิชเชณาพันกันเลยทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตเช่นอย่งางเราเรานั่งบริกรรมไปเรานั่งปวดปวดหลังปวดเอวเย่างนี้ในขณะที่เราบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธไว้ปวดมากมา ก, มากข้าพเจ้าทิ้งคำว่ า, าพุทธโธไม่อยกกูยกทท่กับความเจ็บความปวดคือทุกเวทนาให้ดูเวทนาเลยย้อนมาที่จิ ถ้าเราจะพิจาราการแล้วก็ย้อนมาที่จิตให้พิจารณาเวทนาแล้วก็ย้อนมาที่จิตมันเข้ากับคําที่ฉันว่ากําหนดทุกข์แล้วก็ย้อนไปดูสมุดไทยกําหนดทุกข์แล้วก็ย้อนไปดูสมุดไทยเพราะสมุดไทยเวลามันจะเกิดมันจะเกิดที่จิตสมุดไทยคือตัณหาตัณหานี้มีลักษณะสองอย่างนะให้เราฝึกําหนดเอาไว้ด้วย คนไม่ตาคือคนเป็นคนเป็นจะต้องมีความอยากถ้าหากความอยากของเราเป็นไปตามอำนาจของความโลภความโกรธวิชาวิสย า, สยาตัณหาราคะในหัวใจของเรานี่เป็นสมุทยัยความอยากอันนี้เป็นสมุทัยให้เรารู้เอาไวา้พวกเราได้ยินได้ฟังเรียนรู้ข้ออัดข้อธรรมเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาเราอยากได้อาจได้ทา อยากได้มรดกได้ผลอยากได้นิพพานอยากให้ผ่านอยากรักษาศิ่ความอยากอันนี้เป็นมรกเพราะฉะนั้นมรกกับสมุทัยเป็นเหตุเหมือนกันแต่มันเป็นเหตุกันคนละอย่างเหตุคือสมุทัยนะั่นนำทุกข์นำโทษมาให้เราอันนี้เป็นฝักฝ่ายของกิเลสให้เราจำเอาไว้เหตุอันหนึ่งคือมรโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสรุปไปที่หลักสิ่สมาธิปัญญาคืออายมรดกมีอ ง, งแฝง อันนี้เป็นทางดําเนินเป็นข้อปฏิบัติเพราะทางเพราะฉะนั้นทางดําเนินเหล่านี้เราจะต้องตั้ง อ, อกตั้งใจเดินไปไมันจะอยวิ่งจะกระโดดแล้วก็ได้เดียวนี้เลยไม่ได้จิตนิสัยของเราบําเพ็ญบา ร, รมีอีสียังไม่แก่กล้าพอจะได้ยังไม่ได้จะถึงยังไม่ถึงพระอริยาสาวกบางองค์บางท่านท่านได้ตรัสรู้เร็วก็เพราะว่าท่านบําเพ็ญมาถึงที่แล้วแต่ชีวิตจินสีของท่านมาดับเสียก่อนเหมือนอย่างพระพายยะนี้ พอเวลาท่านมาบําเพ็ญใหม่ปั๊บปุ๊บปั๊บท่านฟังธรรมจบหนึ่งคาถาได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระพ า, ายะขอฟังเทพพระพุทธเจ้ า, าในขณะที่พระพุทธเจ้าท่านกำลังเสด็จบินขบาาอยู่พุทธเจ้าท่านห้ามสองครั้งพอครั้งที่สามพุทธเจ้าท่านก็ท่าน ก, กับสอนนะเพราะพายะไม่แน่ใจว่าจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวไปสักเท่าไรเหมือนกับมีกรรมมาบันดาลให้รรลุได้ พระรู้เจ้าท่านก็นเลยสอนภายะเธอจงเห็นจักจะว่าเห็นได้ยินสักจะว่าได้ยินได้ฟังได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสสักเจ้ว่าสักเจะว่าไอ้คำว่าสักเจ้ว่าในชีนี้มันละเอียดนะมันลึกนะคําว่าสักเจะว่าคือยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดถ้าหากยินดียินร้ายเกิดในหัวใจของเรานั่นคือตัณ ห, หาสวมรอยเข้ามาแล้วตัณหาสวมรอยเข้ามาในใจของเราทีไรเมื่อไร อัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาเมื่ออัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาความถือเนื้อถือตัวมันก็โผล่ขึ้นมาพวกเราทั้งหลายทะลาะเบาะแวงกันอยู่กับสิ่งที่เป็นเปลือกนอกผิวเผินอยู่ข้างนอกเราไม่เคยหย่อนลึกเข้าไปถึงสิ่งเหล่านี้รเราะฉะวิธีแก้เราก็มีแก้ผิดบ้างแก้ถูกบ้างแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างแต่ถ้าเรารู้วิธีเอาวิธีเหมือนอย่างพุทธเจ้ามาแก้แก้ไปจนถีก้น มึ่งจนในหัวใจของเราก็ถึงลักของความยากด้วยเหตุที่ท่านให้เรเจริญสิน้นเจริญสมาธิเจริญปัญญานี่เองสิ้แนบแน่นมั่นคงเข้าไปเจริญสินให้ยิ่งสมาธินแนบแน่นมั่นคงเข้าไปทําจิตให้ยิ่งจากนั้นแล้วก็พิจารณาเข้าไปพระองค์ทรงขบวนมาที่มหาสติปัฏฐานนี่เองมหาสติปัฏฐานนี่เราทดสอบเราทดสอบเหมือนอย่าง ความยินดีไม่เกิดความยินร้าไม่เกิดเนี่ยในขณะที่เรากําหนดจดจอ่อประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสมาธิประกอบไปด้วยปัญญากําหนดจดจอ่อพิจารณาอยู่นั้นน่ะตาเราไปเห็นรูปเนี่ยยินดีไม่เกิดจริงจริยินร้าไม่เกิดจริงจรเห็นจักจะว่าเห็นจริงจรเพราะฉะนั้นพระภาหยะจึงสามารถทําทได้จริงจว่าเห็นจักจะว่าเห็นจริงจริัญหาไม่เกิด ความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดความยินดีก็คือมันแปลผิดแปลเข้านิสัยสันดานของกิเลสความยินร้ายมันก็แปลผิดแปลเข้านิสัยสันดานของกิเลสเพราะกิเลสมันยึดอย่างนั้นมายจนช่ําชองแล้ะมารู้ขี่กับกีการขีปุเรชาติมาแล้วมารู้ ข, ขีอาสงไขกลับมาแล้วแหละจะมันช่ำชองจนมันชันน้นชมนาแล้วในเมื่อพิจารณาตามหลักที่พระอาจารย์สอนเห็นสัจจะมาเห็น ตัวที่มาตัดให้เห็นสักธรรมเห็นมีอยู่สติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรมธธรมวิริยะธรรมความอดความตนของธรรมกำหนดจดจ่อเฉพาะหน้างานเฉพาะหน้าของเราท่านทั้งหลายเรากำหนดจดจ่อพิจารณาดูแค่เราเจริญสมาธิถ้าหากเราขาดสติสังขจันทยะปักปอารมณ์ที่เราบริกรรมไม่อยู่แล้วหลุดหมายดมือไปแล้วตราบใดที่สติสมาธิของเราตื่นโรูอยู่นั้น อารมณ์ก็ยังอยู่อยู่แล้วก็แนบแน่นไปเรื่อยแน่แน่นไปเรื่อยจนที่คําบริกรรมนี้ก็มีที่คําบริกรรมคือไม่บริกรรมเละพูดโธพูดโธแต่จิตไม่ไปไหนเพราะจิตมันอิ่มนี่นี่คือภาวะของความสงบภายในที่เราพิจารณาหลักมหาสติปัฏฐานนั้นมันก็เรื่องของปัญญาอเห็นสักก็เห็นเห็นสักก็เห็นเกิดขึ้นเห็นสักก็เห็นดังอยู่เห็นสักก็เห็นดับไป กำหนดุดจ่อปล ong ลงในใจลับจจ อ, ลลลลลอันนี้จังทุกข์งอนัตตาแท้จริงมันเกิดอย่างนั้นมันตั้งอย่างนั้นมันดับอยู่อย่างนั้นเพราะภาวะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมันก็เป็นเรื่องของสังขารสังขารจิตสังขารจิตหามันกรุงมันแต่งอยู่ในนั้นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีใครไปกําหนดจุดจ่อให้อารมณ์เด่นโรอยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่มีไม่เป็นแล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปตามขณะของจิตของเรา ขณะขีดของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยท่านมาให้มาให้ก็มาทำบริการเพื่อที่จะมันคันขณะของกี่นั่นแหละก็มันจดจออยู่นั้นดำเนินงานอยู่นั้นเห็นยินดีสักว์จว่ายินยินเห็นสิ่งชนายินดีเห็นสักว์จะว่ายินดสิ่งชนายินร้ายสักว์จะว่าเห็นไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าไม่ดีไม่ใช่รู้ว่าไม่ดีไม่ใช่ไม่รู้ว่าไม่ดีรู้อยู่ แต่ไม่มีความอยากเข้าไปยึดเข้าไปเกาะสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอารมณ์ไม่สามารถรักสิ่ชาตในหัวใจดวงนั้นได้แค่นี้คือตัณหาไม่เกิดยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดตัณหาไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดอุปาฐานไม่เกิดพบไม่เกิดชาติไม่เกิดเป็นเหตุให้เราทดสอบได้ว่าโอที่ท่านละพบละชาติด เพราะดับชาติดับตนเพราะดับตัณหาได้ดับตัณหาได้คือดับสมุทัยได้เพราะฉะนั้นทุกทั้งหลายทั้งปวงที่จะฝืนตามมาจึงไม่มีทุกทั้งหลายทั้งปวงตามมามีเราพยายามเอาตรงนี้มาอธิบายให้คนไรทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจเพราะฉะนั้นการเจริญหลักมรรคปฐมนั้นเราเจริญได้ทุกวิยาบททั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนแต่ครูบาอาจารย์ท่านไม่เราทิ้งหลักของสมุทัยคือทําให้จิตได้รับความสงบ เพราะฉะนั้นพวเราเจับพุโทโธพุธโทโธสงบขั้นไหนสงบระดับไหนเราต้องการจะพิจรารณาเราก็จะพิจารณาตามหลักมหาสิปฐาญนี้เองเราจะถนัดในอารมณ์เจ็บปวดแล้วก็อารมณ์เจ็บปวดมาพิจารณาเจาเ็บก็จะสักเพราะว่าเจ็บปวดก็สักเพราะว่าปวดที่เราเรียกว่าเวทนาเอาจิตจิตคือผู้รู้ของเราเนี่ยจ่อไปที่เวทนาอย่างนี้ว่าเวทนานั้นนอะ เป็นอารมณ์ที่เราถูกเรารู้เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้จิตของเราเป็นผู้รู้สติปัญญาเป็นอุปายเป็นวิธีเป็นเครื่องไม้เครื่อง ม, อมือกำกับอยู่ที่จิตทาให้กำหนดจดจอเวทนาจัก็วเวทนาไม่ใช่เราอัตตาตัวตนเกิ่ขึ้นมาไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเวทนานสักตวเวทนาจริง เพราะฉะนั้นคามทุกมันจริงยิ่งเข้าไปทับถมหัวใจตรงนั้นไม่ได้ในเมื่อไม่มีอัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีผู้ยึดไม่มีผู้ยึดเพราะผู้ที่รู้ที่เห็นนี่คือผู้รู้คือความรู้สักจะว่าความรู้ไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนผู้รู้เขสักคำว่าผู้รู้จริงๆเข้าไปรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็ละแล้วก็ว่า รู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็ละแล้วก็วางความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจะตามมาไม่ได้นี่เราพิจารณาตามหลักอริยสัจสีนะกำหนดทุกขล้วก็ย่อไปดูสมุทยัยและสามารถหยุดสมุทัยได้จนสามารถละสมุทัยได้ตราบใดทียงละไม่ได้กำหนดจดจ่ออยู่อย่างนั้นรู้ที่ไปรู้ที่มาของมาันรู้การเกิดของมาันรู้ตั้งอยู่ขอางมาันแล้วรู้การหายไปของมาันไม่ต่างอะไรกับเรา ไล่แย้เข้ารูแ yeah, ย้ yeah, มันเข้าไปในรูแล้วสักน ห, นหนึ่งเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาอีกอารมณ์ของตัณหาในหัวใจของเราเช่นเดียวกั น, น, นเมื่อมันสงบะระดับลงไปแล้วมันจะคอยเล่นงานเราเอย่าเหลอเหมือนอย่างแย่ที่มันคอยโผล่ขึ้นมาในรูนั่นแหละมันคอยโผล่ขึ้นมาพอมาเห็นราสมาเราจ้องอยู่นะเห็นเราก็มันพลุกเข้าไปอีกเห็นเราก็มันพลุกเข้าไปอีกในขณะที่สติปัญญากำลังเกิดจอดูตัณหาที่มันโผล่ขึ้นในหัวใจของเราเช่นเดียวกัน นี่เราต้องการจะเล่นงานมันหมายความต้องการจะจับตัวแย่ถ้านจึงให้ขุดลงไปเพราะฉะนั้นการพิจารณากายการพิจารณาเวทนาการาตามพิจารณากายการทําตามพิจารณาเวทนาการตามพิจารณาจิตจึงมีการทําพิจารณาอย่างนี้คือการตามขุดตามขุดตามประดจจรอพิจารณา ถ้าเรายึดและเกินว่ากายราวกายของของเราเวทนาสัญญาสังขารเราเป็นของของเราถ้าเราไม่พิจารณาเราก็หลงหลงยึดกายว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราการแยกแยะจึงมีขึ้นพุทธเจ้าท่านให้แยกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแยกย่อยละเอียดเข้าไปอีกเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ำเป็นอะไรต่ออะไรเข้าไปแต่สัญญาในหัวใจของเรา มันคอยจะสวมรอยเข้ามายึดว่าเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นตัวเป็นตนแม้แต่ความสําคัญว่าเป็นก้อนเป็นแท่งท่านให้พิจารณาทําลายอคณะสัญญาคณะสัญญาคอร์ังนอนหนูเขาเรียกว่าคณะแรียกว่าเป็นก้อนเป็นแท่งบางทีเห็นอัตภาพเป็นหัวเป็นแขนเป็นลำตัวเป็นขานี่นี่แหละคืออัตตานี่แหละคือตัวคือตนธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่มั จำแนกแจกแบ่งย่อยฉลายไปจนไม่มีอะไรไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่นี่การที่เราตามพิจารณาอยู่อย่างนี้เราจะคลายความข้องใจว่ากายเราจริงหรือกายของของเราจริงหรือเราเขียนให้มันอยู่ตามอำนาจของใจของเราบางังคับมัญชาได้หรือไม่ได้สักอย่างเลยนี่คืออัตภาพร่างกายของเรามันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้การํอพิจารณากายพอเข้าใจพอรู้เรื่อง ไอ้ความยึดถือที่ว่าเป็นกายเราไปเป็นกายของของเรามันจะเริ่มคลายเริ่มจางเริ่มห่างเริ่มหายไปตามหลักที่ท่านเข้าถึงเหมือนอย่างพระอัญญาโกลท่านนี้ท่านเข้าถึงคือเข้าถึงได้จักสุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมนี้คือเบื้องต้นของมที่เรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิทิฏฐิสําคัญมั่นหมายว่าเป็นกายสมารถละทิฏฐิเหล่านี้ได้ ถ้าหากเราไม่เอาสัจธรรมเหล mm ่านี้เป็นเหตุให้เกิดไปจากพยาหน่วใจจะละได้อย่างไงจะเข้าไปรู้สัจธรรมเหล่านี้ได้อย่างไงพิจารณาย่อยสลายตรงนี้จนเกิดความรู้จุดจนเกิดความเข้าใจการเข้าการเกิดความรู้เกิดความเข้าใจก็คือเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นเองเหมือนอย่างพระอัญญาปณัญญะท่านเข้าใจว่าสิ่งนด้นสิ่งนี้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา เป็นธรรมดาธรรมดาของมันคําว่าธรรมดาก็คือเกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของมันดับไปตามหลักธรรมชาติของมันกะเกณฑ์อะไรบังคับอะไรไม่ได้เข้าถึงกระแสธรรมเข้าถึงสัจธรรมทงความรู้ทำความเข้าใจประทับไปที่ใจว่าเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอาศัยสัจธรรมเป็นสภาวะธรรมอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นท่าเป็นขันสักจ่รรมขึ้นทางอาศัยแค่นั้นเองอันนี้คือเบื้องต้นที่เราเข้าไปรู้เข้าไปเข้าใจ เหมือนอย่พระอัญญาโกณธัญญาแต่ยังมีตัวละเอียดอยีกที่ท่านจะต้องพิจารณาละเอียดลึกก็ไปอีกเพราะฉะนั้นพระอัญญาโกลธัญญาพระวัตรพัชยะมหานามอัจฉชิได้รวงตาเห็นธรรมวันละหนึ่งองค์ห้าวันห้าองค์จากนั้นพระองค์ก็ทรงแสด ง, สงอนัตตลกคณสูตรอนัตตลักคณสูตรคือความไม่มีเป็นตัวเป็นตนถ้าเป็นเราเราต้องบอกได้ เราไปอ่านดูที่ท่านมีในพรสะสูตรนั่นล่ะถ้าเป็นเราเราต้องบอกได้อย่ากเก็บอย่าปวดอย่าปวดอย่าไข้โดยเหตุที่เราบอกไม่ได้เป็นเราเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาบอกไม่ได้โดยเหตุที่บอกไม่ได้ปัญจวัคคียเราต้องตอบว่าเป็นอนัตตาปัญญาบอกไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นทุกข์ปัญญาเกนนิด ค, <c oughs> ความรู้เกิดความเข้าใจเรื่องไรนะักอย่างละเอียดย่อยทั่วถึงหมด ผู้ที่จะไปยึดไปถือขันทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นในเมื่อไม่มีผู้ไปยึดไปถือว่าเป็นราว่าเป็นของของเราแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวทุกข์ไม่มีผู้ไปยึดไปถือแล้วไม่มีเจ้าของเลยเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะแห่งตนแห่งตนเท่านั้นเองพิจารณารู้เข้าใจปล่อยวางพิจารณารู้เข้าใจปล่อยวางพิจารณารู้เข้าใจปล่อยวาง พูะเจ้าแสดงอนัตตลักณะสูตรจบปัญจวัคคีทั้ง5ได้เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนี่เราจะเห็นคําว่าคำาอนัตตามันละเอียดลึกถึงถึงขนาดไหนหากเราพิจารณาให้เห็นในสมาธิให้เห็นในหลักสมาธิในปัญญาแล้วเราจะมีกำลังใจที่จะได้พิจารณาเกิดความสำรวมระมัดระวังเราจะได้ไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจในชีวิตความเป็นอยู่ของเรา วันนี้เรามีกำลังวังชาเรามีความสุขเรามีความอยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่าวันคืนล่วงไปเอาอะไรมาแน่นอนถ้าหากเราไม่พิจารณาอย่างนี้เราทั้งหลายก็จะเมาเมาในชีวิตเมาในความไม่มีโรคเมาในชีวิตว่าเราจะไม่แก่เมาในวัยว่าเราจะไม่แก่เมาในชีวิตคิ่ว่าเราจะไม่ตายพอวันเวลานั้นมาถึงเราก็หมดโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเอง เราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราเห็นเป็นโทษเป็นภัยและพยายามมองมาถึงสัจจ์ความจริงที่มีอยู่เฉพาะกายของเราที่มีอยู่เฉพาะจิตของเราคือจิตสังขารของเราและกับกายสังขารของเราเราจะรู้เราจะเห็นเราจะเข้าใจหลักความเปลี่ยนแปลงที่ว่าไม่คงทนเป็นทุกขงังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งทุกขงังทั้งอนิจจังไม่มีใครสามารถดับแปลงได้ทวิยักษท่านจึงทรงต ร, รัสว่าอนัตตา วันนี้พวกเราท่านทั้งหลายผู้หลักผู้ใหญ่รวมทั้งครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระเถระพระมหาเทระเสียสละเวลาเวลาตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีเข้าสู่หัวใจพวกเราทั้งหลายมาร่วมงานบำเพ็ญของหลวงปู่นี้อุทิศส่วนบุญที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจฟังนี้ด้วยเหตุที่เราได้รับความสงบบ้างได้รับความเข้าใจบ้างได้รับความรู้รอบรู้บ้าง ตามที่ได้ยินได้ฟังเสียงอาเสียงทำไปสัมผัสโซธรรมศาสตร์ของท่านทั้งหลายก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของของเรานอกจากนั้นแล้วพวกเราก็มาตั้งโรงทานมาจัดนู่นมาจาก น, น, าากนี้ช่วยเป็นไม้เป็นมื อ, เ ป, มอเป็นตีนช่วยล้มปูถือว่าการทั้งหมดนี้เป็นการทําเพื่อบูชาล้มปูแม้แต่บุญกุศลที่เราตั้งอกตั้งใจทํานี้ที่เรามีเป็นของเราเป็นสมบัติของเรานี้เราก็ อุทิศส่วนบุญทั้งหมดนี้บูชาหลวงปู่หลวงปู่เพ่งกัปปโกะถึงท่านมาถึงอายุไขหลวงปู่ท่านเป็นพระกรรมฐานเป็นพระนักกรรมฐานท่านก็ตั้งใจบําเพ็ญท่านจะได้ภูมิอัดภูมิธรรมขั้นไหนระดับไหนมันก็เป็นปัจจักต่างของท่านถ้าท่านยังมีอุป ธ, ธิอยู่ท่านจะต้องมาบัตดอีกถ้าหากท่านหมดอุปธิแล้ว ถ้าเข้าถึงความบริสุทธิ์พุโทโธคุณจากทุกในวันตะสงสารอันนี้เป็นปัจจัดตังของใครของเราของของใครของท่านาย้อนมาที่พวกเราเรามีความตั้ง อ, อกตั้งใจที่จะถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามเหมือนอย่างอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านปลุกฝังเรามาหรือไม่ถ้าหากเรายังหย่อนไปบางไปเบาไป หรือใกล้จะหลุดไม้หลุดมือไปให้ระลึกให้สํานึกให้รู้สึกตัวแล้วก็น้อมเข้ามาถือคติตัวอย่างในการประกอบบําเพ็ญกุศลให้กับหลวงปู่ครั้งนี้เป็นอนุสรณ์ชีวิตที่จะมาถือเป็นคติตัวอย่างที่จะตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งแต่ปับันนี้เป็นต้นไปและบุญกุศลทั้งหลายที่เราตั้งหัตั้งใจนี้จะอํานวยอวยใจให้พรท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญ ดังพรันามาขอสมควรเวลาเดียวกัน